ผูทว่าสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะได้เวลาที่จะมาพบกันอีกแล้วที่นี่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอของสททนะคะดิฉันสันสนีนาคพงดำเนินรายการค่ะพระมหาภบูบุ์อภิปุณโงงชาวเวดปารอนไฮโซดรธานีจะมาให้ธรรมะกับเรานะคะนอกเหนือนจากนั้นท่านขึ้นนําท่านทั้งหลายเข้าสู่การปฏิบัติธรรมถ้าจําที่ ท่านเุลได้กล่าวไว้ในราการเมื่อวานนี้ได้นะคะท่านพูดถึงความเป็นโสดาบันเนี่ยว่ า, าจะต้องประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของศีลแล้วก็ทำให้เราได้พบว่าความเป็นพุทธความมีธรรมะความเป็นสงฆ์ถ้าเราเป็นผู้ ปฏิบัติตามธรรมอย่างถูกต้องจนกระทั่งเกิดความรู้แล้วสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่ในตัวของเรานั่นเองดังนั้นการปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะเกื้อกูลทําให้เกิดความเป็นพระรัตนไตรขึ้นในตนของเราก็ตั้งใจให้ดีนะคะเดี๋ยวไปกราบน้อมสักการท่านแล้วท่านคงจะนําพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการทันทีเหมือนเช่นทุกวันกราบน้อมสักการค่ะท่านคะเชิญพาน ในการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมก็เริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นในสติที่ตั้งขึ้นนี้ก็อาศัยลมหายใจของเรานหนึ่นงในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายพระเจ้าจึงได้พูดถึงว่าคนที่มาสังเกตพยายามที่จะมาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นกายเหมือนกันโดยการที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสที่เกิดขึ้นได้นในโพรงจมูกที่ว่าจะรับรู้ได้ว่าลมหายใจของเรามันอยู่ตรงไหน โดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องแล้วก็ไม่ได้ต้องตามลมเข้าลมออกอย่างนั้นแต่ให้เรามาระลึกรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวการที่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้คือจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือสติอาการอย่างนี้คือคนที่มีสติสตินี่แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อจะทำให้เราสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความโศกความร่ำไรําพันธ์ เป็นสิ่งที่จะสามารถเป็นเครื่องทำให้พ้นจากความโศกได้ทีนี้บุคคลที่มีสติยืยงนี้พยายามที่จะทำต่อเนื่องนะเป็นผู้ที่น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบเป็นผู้ที่เดินอยู่บนหนทางผู้ที่น้อมไปในนิพพานโดยชอบก็ต้องมีเครื่องที่จะคอยระวังป้องกันตัวเองเอาไว้เพราะในขณะที่เรากำลังน้อมไปเยียงไปเทไปเดินไปตามทางนะตามเส้นทางที่สู่นิพพานนี มันก็จะมีเครื่องล่อลวงเครื่องโย่อยวนเอาไว้พระเจ้าทีเคยเตือนไว้ในที่นี้บอกว่าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะมีบุคคลบางคนในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนมีความหมายอันสรุปได้เป็นอย่างนี้ว่าตัณหานั้นสมณะกล่าวกันว่าเป็นลูกศรโทษอันมีพิษของอวิชชาย่อมงอกงามเพราะฉันทะราคะ และพยาบาทลูกศรคือตนหานั้นเราละได้แล้วโทษอันมีพิษของอภิชาเราก็นําออกไปหมดแล้วเราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบอย่งนี้แต่เธอนั้นกลับตามประกอบในธรรมทั้งหลายอันไม่เป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพพานโดยชอบคือการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจ ม, มูก ลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผลิภัณฑ์ด้วยกายรู้สึกธรมรมลมด้วยใจล้วนแต่ไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอามประกอบซึ่งทำอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคาย่อมเสียดแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคาเสียดแทงแล้วย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเปรตเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศร อันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิดอมาญาติสายเลือดของเขาจึงจัดการหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอได้ใช้สัตว์ตาชและปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรพบลูกศรแล้วก็ถอนออกกำจัดโทษอันเป็นพิษที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้ว ก็ได้กล่าวแก่เขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษระนําออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วท่านไม่มีอันตรายอยีกแล้วและท่านจะบริโภคอาหารได้ตามเวลาแต่อย่าไปกินอาหารชนิดอันไม่เป็นที่สบายแก่แผลซึ่งจะทําให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลา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 หมอถอนลูกสอนให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอนำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตรายแล้วอังนี้เขาจึงบริโภคอาหารที่แสลงเมื่อบริโภคอาหารที่แสลงแผลก็กำเริบและเขาก็ไม่ชําระแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ชาระแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลา น้องและเลือดก็กระอลงปากแผลและเขาก็เที่ยวตากลมตากแดดปล่อยให้ฝุ่นละอองของโศโครกเข้าไปในปากแผลและเขาไม่ระวังรักษาแผลไม่มีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญเขานำโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทําอันไม่ถูกต้องเหล่านี้แผลจึงมีเชื้อเหลืออยู่แผลก็บวมขึ้นเพราะเหตุทั้งสองนั้นบุุษ ผู้มีแปลบวมขึ้นแล้วก็ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบ้างข้อนี้ฉันใดก็ฉั น, นั้นเหมือนกันคือภิกษุบางรูปสำคัญตัวเองว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบแต่ตามประกอบในธรรมอันไม่เป็นที่สบายแกการน้อมไปในนิพพานโดยชอบราคะก็เสียแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคาเสียแทงแล้วย่อมถึงซึ่งความตาย หรือได้รับทุกข์เจียนตายในอริยวิไนยนี้ความตายหมายถึงการบอกคืนสิกขาเวียนไปสู่เพศต่าและความทุกข์เจียนตายหมายถึงการต้องอาบัตอันเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งแหลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีสติอยู่รักษาจริตของเราอยู่อย่างนี้ก็ต้องระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันรัดรพรสัทุก ค, ค่ะท่านอาจารย์คะ อันนี้เป็นพระสูตรที่เน้นว่าผู้ที่ต้องการจะไปนิพพานอย่างจริงจังถ้าเป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต้องต้องไม่ประมาทตลอดเวลาใช่ใช่อันนี้พูดไปชัดเจนถึงขนาดว่าคิดว่าตัวเองบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเลยละ เ, เพราะว่าตัณหาเอาออกหมดแล้ววิชาไม่เหลือแล้วแสดงว่าขั้นสูงถึงขั้นเป็นพระอาหารหันต์เลย ทีนี้ในขณะที่ไม่รู้บรรลุจริงหรือบรรลุไม่จริงนะอาจจะคิดว่าตัวเองได้บรรลุหรือบรรลุจริงๆก็แล้วแต่ในบุคคลประเภทนี้ก็ต้องอย่าไปทําสิ่งที่มันจะไม่ดีดกับนิพพานนั่นคือดูอเห็นได้ยินพวกนี้ผ่านทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะต้องระวังไม่ให้มันเป็นปฏิปักษ์กับนิพพา น, นะอะไรคือตรงนั้นก็คือการที่ไปทํานอกมรรคเช่น นอกมครคนี่หมายถึงว่านอกเรื่องศีลสมาธิปัญญาเช่นผิดศีลบ้างไม่ทําสมาธิอยู่เรื่อยๆบ้างไม่สมรวมอินทรีย์บ้างกินอาหารไม่รู้จักระวังนะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่มีการพิจารณาก่อนค่ะพวกเนี้ยอันนี้มันจะเป็นอันตรายมันก็จะถูกเสียดแทงเหมือนกับคนที่แผลหายดีแล้วอ่ะแต่แบบผิดออกแล้วลูกศร อ, ออกแล้วแต่แผลยังไม่หายกับไม่ล้างแผลตามเวลาอย่างนั้นอืมค่ะแม้กระทั่งผลลุ พระอาหารหันต์แล้วใก็นนยังจะต้องระมัดระวังใช่จะเป็นอันตรายนะเพราะว่าะอะไรเพราะว่าคนที่ถึงแม้จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าใจของเขาเนี่ยยังไปทําเห็นสิ่งไม่ดีเช่นดูการเล่นกายมันก็จะอยู่ไม่ได้นะกายมันก็จะเป็นเป็นก็เรียกว่าอยู่ด้วยกัน ร, รับกันไม่ได้ค่ ะ, ะทีนี้อุปามาอุปไมัยตัวเนี้น่าสนใจคุณยมติว ที่พระอาจพูดถึงแผลเนี่ยแผลนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนั่นเองนะมีช่องทางอยู่หกทางเป็นแผลที่เราถูกทําให้เหวอะหวะแล้วนนั้ด้วยอะไรนนั้ด้วยลูกศรที่เขาแทงมาลูกศรที่มันอยู่ในสังสารวัตนี่แหละคือตัณหานี่แหละมันแทงให้แผลเราเปิดแล้วส่วนพิษพิษที่เกิดขึ้นจากหัวลูกศร น, นั้นก็คืออวิชชานื่หนึ่งตัณหาคือหัวลูกศร สองพิษของลูกศร น, นี้นั่นะก็คืออวิชานะสามหมอเนี่ยคือพระพุเจ้านะสี่เรื่องของเครื่องตรวจหาหัวลูกศรเนี่ยคือสตนะิแล้วก็มีดอานะสัตราที่ใช้ชำแหลเปิดปากแผลเนี่ยก็คื อ, อระยะปัญญาในะเรื่องของปัญญาแล้วก็พอเราทราบข้อมูลตรงนี้อ๋อแสดงว่าเราต้องมีสตินะค่อยตรวจหาว่าไอ้ลูกศรตรงไห น, นต้องมีปัญญาด้วย เพื่อที่จะเอาเปิดแผลให้เอาลูกศรหัวลูกศรที่มันค้างอยู่ออกได้เยี่ยมมากค่ะถูกค่ะมีสติและต้องมีปัญญาใช่การสั่งสมสุดตาอย่างนี้ก็ทําให้ผู้ที่อาจจะยังไม่ไปถึงความเป็นพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็มีความรู้ติดตัวไว้ว่าการจะต้องฝึกสติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นจําเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาใช่ใช่ ยามกันนะคะหัวลูกศรตรงนี้ก็เหมือนกับคือในสมัยก่อนหัวลูกศรก็จะทําจากโลหะแล้วเขาก็จะมาต่อกับตัวลูกศรก็คือจะเป็นไม้หรือเป็นเถาวันอะไรที่มันแข็งแล้วหางลูกศรเนี่ยก็จะทําด้วยปีกคนนกประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อให้มั น, มนปรับทิศทางได้ตรงถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับสมัยปัจจุบันก็คือหัวลูกปืนนั่นเองหลังถูกยิงด้วยลูกปืนแล้วหัวลูกปืนเนี่ยมันฝังอยู่ในตัวเรา คือหัวลูกศรเนี่ยฝังอยู่ในตัวแล้วส่วนในคันศรหมายถึงว่าตัวตัวลูกศรนะนะแล้วก็ตัวหางมันหักไปแล้วเหลือแต่ลูกศรหัวลูกศรฝังอยู่ไหนอยู่ข้างในบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัณหาเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันถึงเกิดภายใน น, น, นนี่เป็นอุปมาไป ท, ที่ที่ลึกซึ้งทีเดียวมาว่าค่ะนะคะก็ได้ความรู้กันไปแล้วก็ได้ปฏิบัติกันไปสําหรับท่านที่ พอใจในสมาธิสามารถที่จะอยู่ในสมาธิแล้วก็ฟังรายการต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านเพบุญคะอาจารยพันธก็เพิ่งล่วงเลยพิสาขะปูชามาอยากกราบเรียนถามท่านในบางคนที่อาจไม่สบายใจว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ไปทำบุญไปเวียนเทียนวันวิสาขาปูชาอ เรื่องของการเวียนเทียนเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาใช้คําว่าเดินประทักษ์ศีนั่นะเดินประทักษ์ศีลก็คือเดินเวียนขวาแลนะเป็นกิริยาที่แสดงความกรบอย่างหนึ่งในะอย่างท่านพระอน น, อน์เงี้ยพอทําภารกิจพ อ, อทำบารกิจมาอุปต่าพระจ่าเสร็จแล้วนะจะกลับไปที่พักของตัวเองนะก่อนจะกลับไปก็กลับมัมมัมมัมมัมแล้วก็ออกไปเดิน รอบกุฏิพุทรู้แจวามรอบแล้วก็กลับที่พักตัวเองเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็จึงเอาประเพณีนี้มาใช้แล้วก็เรียกใช้คําว่าการเวียนเทียนคือการเดินรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามีความเคารพในที่นี้เขาก็เดินรอบโบสถ์บ้างเดินรอบพระประธานบ้างรอบสาราบ้างอย่างนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะแสดงความเคารพแสดงความระลึกถึง แ, แสดงความที่เรา แบบมีศรัทธามีความมั่นใจในสิ่งนั้นอ่าจุนี้นี่คือคือการแสดงออกทางกายนะซึ่งการแสดงออกทางกายนั้นก็แน่นอนมาจากทางใจนะมาจากทางใจที่เรามีศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใจเรามีศรัทธาซึ่งเป็นเหตุของการเดินประทักษิณเนี่ยอันนี้อรรมาก็ว่าก็ดีนะดีในส่วนหนึ่งคือใจของเราอย่างน้อยยังมีศรัทธาเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเดินเบียนเทียเนี่ยใจคุณมีศรัทธาไหมใจคุณมีความระลึกถึงพระพุทธพระธรมพระสงค์ไหมอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะในความเป็ตธรมะ ค่ะกะ็ไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจถ้าเป็นคนที่ใจนั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วใช่เพียงแต่ว่าให้เข้าใจมากขึ้นว่าการเวียนเทียนหรือว่าประทักศินในภาษาที่อยู่ในภูโทษจนะนี้คือการแสดงความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีนี้อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งใช่ใ่อันนี้เป็นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูชาด้วยค่ะและคือการบูชาบางคนนอกจากจะเดินบรรทักษิาจจะเอาข้าวของอะไรต่างๆไปบูชาเนีบูชาเนี่ยคือการแบบแสดงความเคารพแสดงความนอบน้อมอะไรต่างๆค่ะซึ่งต่อให้รูปแบบการบูชาเนี่ยเป็นรูปแบบชนิดที่เรียกว่าเอาข้าวของอะไรต่างๆไปบูชาเนี่ยซึ่งตรงนี้คืออามิสบูชาคือการใช้ของนะเป็นการบูชาค่ะซึ่งบูชาบอกว่าการบูชาที่สูงสุดจริงๆเนี่ย คือการบูชาด้วยการปฏิบัตนะิซึ่งการปฏิบัตินั้นก็คือการปฏิบัติทางกายวาจาใจปฏิบัตินี้ไม่ใช่หมายว่าคุณเอาเข้าของไปนะหรือคุณไปเดินแต่การปฏิบัติเนี่ยหมายถึงคุณไม่ด่าใครในี่ด้วยวาจาใช่ไหมคุณไม่ฆ่าสัตว์นี้ด้วยกายนนะั้ด้วยใจที่มีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจนะการบูชาแบบนีนะ้บูชาที่ถือว่าพระเจ้าเนี่ยได้รับการบูชาจรงิงๆด้วยนะคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัตินะเราอยู่บ้านเราไม่ ดาใครไม่ว่าใครมีความอดทนมีจิตใจที่อโอวามารีพูดสิ่งดีๆให้กันนะมีสัมมาวาจาอย่างนี้มีส ม, มากรรมตาหนาใจก็มีสัมมาวาามิมามีสัมมาสติอันนี้คือการบูชาที่จริงๆเลยดีมากเลยการบูชาที่นำเอามาสู่การปฏิบัติทางกายวาจาใจเพื่อเป็นการบูชาเรายังดูดูตัวอย่างมาจะยกตัวอย่างที่สุดต่งข้างหนึ่งเช่นว่า คุณไปเดินประทักศิลเดินเวียนเทียน<า>ไปเดินกับครอบครัวนะพ่อแม่ลูกไปเดินด้วยกันแต่แม่บางทีก็ด่าลูกอา้าวลูกทําไมโซนอย่างนี้อา้าวคือ ก, กายเนี่ยทำอยู่นะคือรูปแบบหนึงของการบูชาอาตรว aja กลับไม่ดนะีเป็นมิจฉาว aja าาบ้างนะใจอาจจะคิดเรื่องพยาบาทกับคนข้างๆเธอมาเบียดชั้นทำไมทำไมทําเทียน6กใสชั้นอะไรเงี้ยนะก็จิตใจพยาบาทอีกนะก็ไม่ใช่เป็นการบูชาหรอกอนะไรเงี้ยเพร า, าตัวเองไม่ได้เป็นปการปฏิบัติ เดินอยู่ก็จริงอะแต่ว่าจิตใจไม่ใช่เงี้ยอ <c oughs> อันนี้คือสุดตรงข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งก็คือคุณอาจจะไม่ได้ไปเปลียนเตียงนั่งอยู่บ้านเฉยๆแต่คุณรักษาศีลได้นั่งสมาธิอยู่จิตใจยังลงสู่ความสงบมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระ ง, งับไม่โกรนกรวายละนิวรณ์ห้าได้นั่งอยู่เฉยๆตรงนั้นเนี่ยอันนี้ชื่อว่าบูชาของจริง น, นนี้คือสุดตรงอีกข้างหนึ่งคือเปรียบเทียบกันให้เห็นละ หลับตานึกถึงสมัยเวลาที่ไปเวียนเทียนระยะหลังนี่ก็ห่างๆไปเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับที่ท่านพูดจริงๆว่าถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยเรารู้สึกสนุกกับการที่ได้ไปอยู่กับหมู่คนเยอะๆแล้วเขาก็ได้ทําในสิ่งที่เป็นเด็กเนี่ยดีฉันว่าการได้จุดทูบจุดเทียนมันตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็เดินด้วยเนี่ยแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะที่ท่านบอกอยังคงเหลืออยู่คือ เวลาเดินคนเยอะๆแล้วก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ชัดเจนว่าต้องเดินห่างกันเท่าไหร่เพราะว่าบางทีคนเยอะก็อาจจะทำให้แถวกระชั้น<ช>มากแล้วก็ไปอยู่ใกล้กันอาจจะเกิดความพลาดพลั้งก็ในใจมันก็จะกรนกรวายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันใช่ใช่นะค ะ, ะท่านเลยบอกว่าไปแล้วถ้าวางใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ใช่ ก็อาจจะทำเต็มที่นยคะแต่ที่ฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไปเนี่ยก็ไปด้วยความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อว่าวันสำคัญนั้นต้องมาแสดงออกกันสักครั้งหนึ่งไปด้วยเจตนาที่ดีอันนี้ดีแน่นอนใช่อันนี้ดีดนะคะก็ส่วนเจตนานี่ได้แล้วละ่ะแต่อย่าไปกระพร่องกระแพร้งในส่วนอื่นอันนี้ก็ต้องใช้สติยิ่งยวดเพื่อจัคะที่ฉันสังเกตอ ย, อยู่อย่างหนึ่ง เ, เวลาที่มีการรวมตัวกันมากๆในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของเราหรืออย่างอื่นก็แล้วแต่นะคะคนบางคนเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่ไม่ดีเหมือนกับคนตัวเปล่าเล่าเปลือยในแง่ที่ว่าต้องเอาลูกกระเตงไปด้วยไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนแต่ใจก็อยากจะไปร่วมกิจกรรมเด็กเล็กๆนั่งอยู่ที่ไหนนานๆเขาไม่มีสมาธินะคะเขาก็อาจจะส่งเสียงรบกวนคนรอบข้าง ออ ย, อย่างนี้แหละค่ะคือข้อที่หนึ่งควรเอาเด็กไปไหมผิดบาปมากไหมแล้วก็จะทำยังไงดีกับสถานการณ์เช่นนี้ค่ะในในเรื่องนี้มันก็จะมีหลายประเด็นเช่นประเด็นแรกเนี่ยคือเอาคนที่เป็นโสดเนี่ยเขาก็ไปตัวคนเดียวได้อยู่แล้วใช่ไหมที่ที่คุณโยมติวพูดถึงว่าการที่อยู่คลุกคลีกันเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนละมันก็จะต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งบ้างเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวอทีนี้ การที่เราจะมาคลุกคลีกันนานๆทําที1อย่างบระพุทเจ้าก็พูดถึงพริกษุเนี่ยก็สิวันที1มาร่วมกันที1อันนี้ก็ถือว่าได้อย่างการเว้นเทียงอาจจะปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งหรือว่าทุกๆวันสําคัญเดือนหนึ่งอาจจะสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ประบางคิดว่าสามารถทําได้นะทีนี้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของมารดาบิดากับบุตรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของของบุตรปการีที่จะต้องให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปเพราะฉะนั้นการที่พาเขาไปทําอยู่ในกิจกรรมลักษณะนี้ ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำนะในการที่จะต้องพาไปให้เขาตั้งอยู่ในความดีซึ่งในที่นี้คือไปวัดไปให้เห็นเรื่องที่เป็นสร้างบุญสร้างกุศลนะจะเป็นรูปแบบก็ตามไม่มีรูปแบบก็ตามอันนี้พ่อแม่ต้องสอนที น, นี้ประเด็นที่คุณโยมถึงพูดในที่นี้คือมันจะมีการรบวรกวนกันตรงนี้เราก็ต้องสอนให้เขาหลังจากที่จะทําความสงบบ้างแล้วเล่นมาแล้วตอนนี้ให้เงียบให้สงบก็ต้องมีวิธีการบอกสอนกันซึ่งแน่นอนมันอาจจะมีที่หลุดที่พลาดที่พลัง้ง ก็จึงเป็นการเตือนด้วยว่าก็อย่ามาคลุกคลีกันนะก็ต้องอดทนกันมีเมตตากันมีอุเบกขากันอย่างนี้ได้ค่ ะ, ะดังนั้นเหมือนกับในส่วนของบิดามารดาเองนะคะก็จะต้องคอยเฝ้าที่จะคือถูกแล้วใช่ไหมครปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ ใ, ในเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่ที่ถูกที่ ใ, ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีให้ลูกตั้งอยู่ในความดีทีนี้พอเขาจะทําบาป<ม>เช่นว่าเขาจะรบกวนคนนะั้นคนนี้อับเบียดเบียนกันละก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปนะต้องสองอย่างต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าบอว่าเขาทําได้อย่างเดียวมันก็ยังไม่หน้าที่สมบูรณ์เต็มที่พ่อแม่ก็ต้องคอยอมันก็อย่างงี้แหละเรว่าก็าาต้องอดทนเอาเช่อฟัค่ะเข้าใจค่ะเพราะว่าบางทีที่จําเป็นต้องถามเนี่ยเพราะที่ฉันสังเกตบ่อยมากนะคะที่เป็นงานใหญ่ๆ แล้วเวลาที่ไปรวมตัวกันก็อาจจะมีส่วนของการที่ต้องนั่งนิ่งๆอือนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็<ช>จะมีเสียงเด็กอมาในระหว่างนั้นอาจจะทําให้คนที่ไม่ชอบเด็กหรือบางทีเขา อ, อยาคิดว่าการจะต้องนั่งทําอย่างนั้นมันต้องเงียบเนี่ยไม่ค่อยสบายใจใช่ใช<ก>คือคือไม่ใช่ใ <จ S 2> ว่าไ ม, มไม่ชอบเด็กหรอกมาว่าแต่ไม่ชอบอะไรที่มัน อ, อึดอัดคึ้โครม ถ้าเด็กเขารักษาความสงบได้ก็คงจะชอบเด็กอยู่เหมือนกันแต่แต่ถ้าเด็กที่ทําได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ประเด็นเรื่องของความสงบที่เขาต้องการรักษาก็ฝึกๆไปนะคะใช่ใ ช, ใช่ต้องเปิดอโอกาสให้เขาอาจจะมาว่าเรียด้ว่าการพาเด็กไปอยู่ในบรรยากาศที่มีคนที่เขาพยายามทําความสงบเนี่ยก็จะเป็นการสอนวิธีการวางตนในบรรยากาศเช่นนั้นใช่เรื่ขออนุญาตเล่าเรื่อง แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงอย่างนี้นะคะอย่างสุนัขอย่างเงี้ยเขากอาจจะซุกซนแต่ว่าถ้าเขาเห็นคนนั่งนิ่งๆเนี่ยดิฉันเห็นบ่อยมากเลยนะคะที่ตอนแรกก็ซุกซนแต่พอเห็นคนนั่งนิ่งๆเขาก็นอนนิ่งๆเงียบๆได้เช่นเดียวกันมันก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้เป็นสัรชาติตยานถ้าจะเข้าพวกเข้าหมู่ก็จะรู้วิธีในการที่จะปฏิบัติใช่ สุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะกราบนมรส ก, การลาท่านไปก็คืออยากให้ท่านทิ้งท้ายสําหรับวันนี้ค่ะที่ต้องการจะฝากท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังรายการของเราค่ะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยโน้มน้อมเอียงเทไปสู่นิพพา น, นคือเรื่องหนึ่งเรื่องของศีลเรารักษาให้ดีสองเรื่องของการรับประทานอาหารให้มีการรูปประมาณในการบริโภค สามเรื่องของการสํารวมอินทรีย์แล้วอยระวังตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจของเราให้มีสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็เรื่องของการที่หยุด เ, เล่นบ้างไปอยู่เสนาสนะอันสงัดอยู่คนเดียวอยู่ผู้เดียวบ้างฝึกบ้างสี่อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้การเปรินแบบของเราเนี่ยก้าวหน้าได้สติของเราจะค่อยๆตั้งมั่นกันได้นี้เป็นเรื่องที่จะฝากไว้เชิญปาค่ะก็กรบาบและแสดารขอบพระคุณท่านพิบุลสําหรับวันนี้นะคะเชิญปา การท่านฟังที่ครบค่ะฟังท่านไปบุญฝากไว้เนี่ยเลยทําให้รู้ว่าจบรายการแล้วเราก็ทอดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านฝากน่ยอยู่กับเราทั้งวันทั้งวันเลยนะคะเช่นเรื่องการระมัดระวังกายใจของเราเกี่ยวกับศีลการระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารมีประโยชน์นะคะที่ฉันเพิ่งเจอเพื่อนคนนึงเขาเป็นผู้ใฝ่ธรรมมาจากประเทศอังกฤษพร้อมลงก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาโภชเนมตันยุตานะคะ คือนำมาดวันในการรับประทานเป็นต้นแล้วก็ยังรวมข้ออื่นๆที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เด็กเล่นบ้านอย่างนี้นะคะก็ติดตามรับฟังรายการสันสนิยนสนทนากันได้ใหม่นะคะจะได้ความรู้ดีๆเช่นนี้ที่จะพาท่านไปไกลกว่าที่ท่านคิดมาก อ, า, อาจจะเคยฝันอยากจะเที่ยวรอบโลกแต่คราวนี้ล่ะค่ะจะได้ไปในที่ที่ เป็นที่สุดแห่งโลกเลยนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวสตรีค่ะ